ความเป็นสามีภรรยาความจริงของความเป็นเจ้าคนนายคนความจริงของความเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคนนี่คือหลักธรรมะอันเป็นของจริงที่เราทุกคนควรจะเรียนรู้ในเมื่อเราเรียนรู้แล้วเรายอมรับสภาพความเป็นจริงในความเป็นของเรา ถ้าเรายอมรับสภาพความเป็นจริงเราจรึงจะปฏิบัติหน้าที่ของเราได้โดยสมบูรณ์การปฏิบัติหน้าที่โดยขาดตกบกพร่องเพราะเราไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงในสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันอีกปัญหาหนึ่งการกําหนดรู้ที่ลมหายใจหมายความว่าอย่างไรกําหนดอย่างไร การกาหนดรู้ลงที่ลมหายใจหมายถึงการกําหนดลงตรงที่ลมสัมผัสที่ปลายจมูกที่ผ่านออกผ่านเข้าให้ทำความรู้สึกไว้ที่ตรงนี้ในเบื้องต้นก่อนเมื่อกําหนดอยู่ที่ตรงนี้เมื่อจิตเริ่มมีอาการสงบลงไปนิดหน่อย จิตอาจจะวิ่งตามลมเข้าวิ่งตามลมออกก็ปล่อยให้จิตวิ่งตามลมเข้าลมออกอยู่อย่างนั้นขอให้จิตกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจแม้ลมหายใจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามก็กำหนดรู้ที่ลมหายใจแม้ว่าลมหายใจจะปรากฏคล้ายๆกับว่าเป็นท่อยาวหรือเป็นฟันเป็นอะไรแล้วแต่มันจะแสดงขึ้นมา ก็ให้กำหนดรู้ลงที่จิตตัวผู้รู้รู้อยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวแล้วจิตจะค่อยสงบละเอียดลงไปทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งลมหายใจหายขาดไปเมื่อลมหายใจหายขาดไปแล้วก็ไม่ทาไม่ต้องทําความตกใจเมื่อลมหายใจหายไปแล้วจิตก็ไม่มีไม่มีเครื่องรู้จิตก็รู้อยู่ตรงที่จิตอย่างเดียวก็กาหนดรู้ที่จิตเท่านั้น จนกว่าจิตจ ะ, จะละเอียดลงไปถึงแม้ว่าจิตจะไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็ตามขอให้มีความสงบสว่างละเอียดลงไปจนกระทั่งถึงอัปปนาสมาธิข้อที่สองคนที่ตายไปแล้วกลับมาเกิดได้จริงหรือวิญญาณออกจากร่างไปสู่ร่างใหม่เหมือนกับถอดเปลี่ยนเสื้อผ้าเกา่า สวมชุดใหม่ฉะนั้นหรือหรืออย่างไรโปรดอธิบายคนตายไปแล้วถ้าหากยังมีกิเลสเป็นเหตุให้เกิดก็ต้องกลับมาเกิดอีกแต่จะเกิดเป็นอะไรสุดแท้แต่กรรมที่ทำไว้วิญญาณเป็นของกลางถ้าตายไปแล้วจิตนี่วิญญาณตัวนี้มันไปยึดอะไร หลือเคยทําบาปทํากรรมอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตเอาไว้ถ้าบาปกรรมอันนั้นจะให้ผลก็ไปเกิดเป็นสิ่งนั้นทีนี้ในเมื่อท่านถาม ถ, ามถึงเอกชนที่ตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่จริงหรือไม่อันนี้จริงการตายของคนนี่มีลักษณะสองอย่างถ้าคนธรรมดาตาย ตายอยู่ในขณะที่จิตกําลังวุ่นวายไม่มีสมาธิพอตายไปแล้วนี่วิญญาณออกจากร่างเขาจะรู้สึกว่าเขามีตัวมีตัวติดไปด้วยแล้วเขาจะไม่มีความรู้สึกว่าร่างกายที่เขาเคยอาศัยอยู่แต่ก่อนนั่นเป็นของเขาแม้ว่าผู้ที่จะเอาศพเขาไปเผาหรือไปฝังก็าตามเขาไม่รู้เลยว่า เอาอะไรไปฝังไปเผาเพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นกายเดิมของเขาเขาเลืมหมดสิ้นเพราะว่าในความรู้สึกของเขานั้นเขามีกายใหม่ติดตัวเข้าไปอยู่ <c oughs> อันนี้เป็นลักษณะของคนตายโดยธรรมดาทีนี้ถ้าหากว่าคนตายในสมาธิคนตายในสมาธินี่ถ้าสมาธิที่จิตท่องเที่ยวอยู่ในกามาวาจรกุสล พอตายพบลงไปร่างเทวดาความรู้สึกในจิตของเขาก็กลายว่าเขามีร่างเป็นเทวดาแต่ถ้าผู้นั้นจิตอยู่ในฌานตายพบลงไปนี่จะรู้สึกว่ามีแต่ดวงจิตอันเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏว่ามีร่างกายอันนี้เก็บจากที่จะรมมาเคยได้ลองลองตายลองดูหลายครั้งหลายหนแล้วมันเป็นอย่างนั้น ส่วนที่จะมาเกิดใหม่นี่ไม่ได้หมายความว่าตายจากคนแล้วมาเกิดเป็นคนวิญญาณเป็นของกลางตายจากคนอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ก็ได้สุดแท้แต่กรรมทีนี้ในเมื่อมาพูดถึงกรรมแล้วใครที่จะทำความเข้าใจว่าบุญกับบาปเป็นสิ่งที่มีค่าเท่ากัน บนบาปมีค่าเท่ากันอยู่ที่ตรงไหนอยู่ตรงที่ทวงดวงจิตของสัตว์ให้ติดข้องอยู่ในวัฏสงสารแต่แตกต่างกันโดยการให้ผลบนให้ผลเป็นสุขบาปให้ผลเป็นทุกข์แต่คนค่าที่ทําให้จิตของผู้ติดอยู่ในบุญกับบาป ใหติดข้องอยู่ในวัฏฏะสงสารนั้นมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติทับเมื่อบรรลุอรหัตผลแล้วต้องสลัดทิ้งทั้งบุญเลยบาปถ้ายังเกาะบุญอูก็ยังข้องอยู่ในวัฏฏะสงสารเกาะบาปอยู่ก็ยังข้องอยู่ในวัฏฏะสงสารยังไม่พ้นต้องพ้นทั้งบุญเลยบาปอันนี้หลักฐานในพระไตรปิฎกกรุณาไปค้นดูเอาก็าสามการปฏิบัติสมถกรรมาฐาน จะทำให้หยุดจู่แค่นี้ไม่ไปสู่วิปัสนาจริงหรือสมถะกรรมฐานต่อบาดวิปัสนากรรมฐานได้อันนี้จะมาได้อธิบายแล้วตอนที่ ท, ที่กำลังแสดงธรรมถ้าหากว่าผู้ปฏิบัตินั้นติดอยู่ในสมถะติดอยู่ในสุขอของความเป็นสมถะกรรมฐานนั้น แล้วไม่พยายามที่จะทำจิตให้ก้าวขึ้นสู่ภูมิปัฏฐานือหมายความว่าทำจิตให้สงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิพอจิตออกจากอัปปนาสมาธิแล้วปล่อยปล่อยโอกาสไม่ตามเรียกว่าไม่ติดตามอย่างจิตสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิพอจิตออกมาแล้วปล่อยใหล่โผลโพลดโผ ล, อ, ล, อ, ล อ, ออกมาแล้วก็เลิกกติีอันนี้จิตจะไม่มีโอกาสก้าวขึ้นสู่ภูมิปัฏฐาน แต่ถ้าว่าพอเจตถอนออกจากอัปนาสมาธิหรือสมาธแล้วก็เกิดความคิดตั้งสติกำหนดตามรู้ความคิดนั้นจิตจะเข้าไปสู่ภูมิวิปัสสนากรรมาฐานได้โดยไม่ต้องยกเอาอนิตรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาพิจารณาเพราะโดยธรรมชาติแล้วเมื่อเจดถอนออกมาจากอปนาสมาธิจิตจะรู้สึกว่ากายปรากฏในเมื่อกายปรากฏจิตก็ย่อมรู้กายคือรูป ในเมื่อเจตรู้กายคือรูปเจตก็ย่อมรู้เวทนาเพราะเวทนาเกิดจากรูปคือกายแล้วเจตก็จะรู้สัญญาเพราะไอความทรงจําต่างๆที่ผ่านเข้ามาทางทวารหนั้นจิตย่อบจดจําเอาไว้แล้วก็วิญญาณในเมื่อรู้สิ่งใดขึ้นมาก็เกิดความรู้ขึ้นมาซึ่งเรียกว่าวิญญาณเมื่อรู้แล้วเคลดปรุงแต่งในสิ่งนั้นๆมันก็กลายเป็นตัวสังขารเพราะฉะนั้นการกําหนดดูรูปนาม ที่คำว่าโรคดับนามเกิดโรคดับนามเกิดหมายถึงว่าในขณะที่เรากำหนดรู้โรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่เมื่อจิตยังไม่มีสมาธิอย่างละเอียดแนบเนียนเราจะยังรู้สึกว่ากายปล่ากฏอยู่ลมหายใจยังมีอยู่เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิละเอียดเข้าไปแล้ว จิตจะปล่อยวางความมีรูปคือกายในเมื่อปล่อยวางความมีรูปคือกายรูปหายไปเวทนาหายไปสัญญาหายไปรูปดับจิตไม่ได้พัวพันกับรูปเวทนาสัญญาอารมณ์มันน้อยลงจิตจึงเด่นขึ้นมาเรียกว่านามเกิดทีนี้ภายในจิตอ น, นั้น ในขั้นนี้ยังเหลืออยู่แต่สังขารกับวิญญาณแล้วจิตก็จดต้องอยู่ในสิ่งที่รู้ในส่วนละเอียดอยู่อย่างนั้นเจตในตอนนี้อยู่ในอัปปนาสมาธิอยู่ในฌานเหมือนกันบางท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าเจตอยู่ในอัปปนาสมาธิในขั้นพถา น, นี่มันจะไม่มีความรู้อะไรเลยย่อมจะเข้าใจอย่างนั้น แต่ความจริงแล้วสมาถะในขั้นต้นนี้เป็นได้เพียงปฐมมจิตปฐมบิญญาณมโนธาตุสติยังไม่เป็นมหาสติจึงไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสนากรรมาฐานได้นอกจากจะฝึกหัดน้อมนึกปรับปรุงปฏิปทาเอาเองจนกว่าจิตจสามารถเดินโดยลำพังของตัวเองได้แต่ถ้าว่าจิตผ่านการพิจารณามาอย่างช่าชองแล้ว เจตย่อมจะสงบลงไปสู่อัปปนาสมาธิปรากฏว่าตัวหายไปหมดแล้วแล้วก็ยังมีสิ่งที่รู้ปรากฏขึ้นมาอยู่สิ่งที่รู้อันนี้จะเรียกว่าอะไรก็เรียกไม่ได้มันมีแต่มีแต่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เท่านั้นอันนี้เป็นความรู้ในขั้นโลกุตระเรียกว่าอยู่เหนือโลกความรู้ที่มีชื่อเรียกนี่เรียกว่าความรู้ในขั้นโลกี ความรู้ที่ไม่มีชื่อเรียกไม่มีสมมติบัญญัติเป็นความรู้ที่อยู่ในขั้นแห่งโลกุตละย่อมไม่มีสมมติบัญญัติอันเป็นสัจธรรมทีนี้การในเมื่อทำสมาธชำนิชำลาญแล้วการต่อวิปัสสนากรรมาฐานเนี่ยการต่อวิธีง่ายๆก็คือคอยจ้องเวลาจิตถอนออกจากอั ป, ปนาสมาธิเกิดความคิดแล้วตามรู้ความคิดนี่อย่างหนึ่ง ถ้าไม่อย่างนั้นก่อนที่จะทำความสงบให้เป็นสมถะให้พิจารณาลูกเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณในแง่แห่งพระไตรักคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาตาด้วยความคิดเอาคิดเอาคิดเอ า, เอาตามที่เราจำได้มาแล้วต่อไปก็ในขณะที่ค้นคิดพิจารณาอยู่นั่นจิตอาจจะสงบโปรงไปในระหว่างก็ปล่อยให้จิตสงบไป ในเมื่อเจสงบลงไปถ้ า, าจิตมีพลังพอที่จะปฏิวัติตัวไปสู่ภูมิความรู้ในขั้นวิปัสนาได้จิตจะดาเนินความรู้ไปเองคือมีความรู้ผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเองอันนี้ขอให้คําตอบเพียงแค่นี้มามักใหม่เลยตอไปล <c oughs> เลยใจจิตวิญญาณต่างกันหรือไม่และอยู่ที่ส่วนไหนของร่างกาย เจตใจวิ ญ, ญญาณนี่เป็นปัญหาที่ค่อนข้างละเอียด <c oughs> โดยความรู้สึกถ้าเราเราตีความหมายตามรูปศัพท์เจตกับใจมีมูลรากมาจากธาตุอันเดียวกันคือจิตธาตุเป็นไปในความก่อความสั่งสมแต่ว่าท่านเจ้าพระคุณอุบารีท่านอธิบายไว้ว่าใจคือส่วนที่เป็นกลางเจต เป็นอาการที่ใจส่งกระแสออกไปรับรู้อารมณ์ในเมื่อสัมผัสอารมณ์แต่ละอย่างละอย่างก็เป็นจิตแต่ละอย่างละอย่างแต่ตัวใจเป็นกลางอยู่ตลอดเวลานี่ท่านเจ้าคุณพระบาลีสิริจันโทจันท่านอาธิบายเอาไว้อย่างนี้ <c oughs> ที่นี้และอยู่ที่ส่วนไหนของร่างกายท่านทั้งหลายเรียนมาแล้วว่า ที่เกิดของความคิดอยู่ที่สมองโดยธรรมชาติของแล้วถ้าไม่มีส่วนประกอบเขาจะทําอะไรไม่ได้เวียนญาณเนี่วิญญาณเนี่ขอตอบเป็นสองในในหนึ่งวิญญาณในขันห้าหมายถึงอาญาณภายนอกอายญาณภายในกระทบกันเข้าแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าวิญญาณตามทวาร น, นั้นๆ อันนี้เป็นวิญญาณในขันห้าอีกอันหนึ่งนั่นปฏิสนธิวิญญาณคือวิญญาณที่รู้จักจุติและปฏิสนธิหมายถึงวิญญาณในปัญหาที่ว่าคนตายแล้วไปเกิดใหม่หรือไม่ตัวปฏิสนธิวิญญาณนี้เป็นวิญญาณดั้งเดิมเมื่อปฏิสนธิวิญญาณนี่มีแต่วิญญาณล้วน แกจะไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรทั้งสิ้นและก็ทำอะไรไม่ได้แต่เมื่อมีส่วนประกอบคือประสาทในส่วนสมองหรือมันสมองเป็นส่วนประกอบแล้วแกจึงจะมีปฏิกิริยาสร้างความคิดนึกขึ้นมาอันนี้ขอตอบย่อๆเพียงแค่นี้ฝากไว้ให้ท่านทั้งหลายพิจารณาต่อไป <c oughs> เจตสิก ค, คืออะไรเจตสิก ค, คือ คุณธรรมอันเป็นส่วนประกอบอยู่ในจิตเช่นเราภาวนาแล้วเกิดศรัทธาเกิดวิริยะเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นเจตสิกประกอบอยู่ในจิตคุณธรรมอันใดเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตอันนั้นคือเจตสิก ถ้าจะว่าเอกอย่างหนึ่งอย่างสมมติว่าจิตกับพโพธโอสัมผัสกันจิตกับพพธโธสัมผัสกันนี่พพธโธเป็นธรรมมารมจิตเป็นมโนทีนี้ทั้งสองอย่างนี่มันมาสัมผัสกันเข้าก็เรียกว่าการสัมผัสและความรู้สึกว่าสัมผัสนั่นเป็นวิญญาณ ทีนี้ภาวนาพุิโธโพธิโทแล้วเกิดสมาธิขึ้นมานั่นคือเจตสิกแล้วเกิดปัญญาขึ้นมานั่นก็คือเจตสิกเกิดสติขึ้นมานั่นก็คือเจตสิกเกิดศรัทธาเชื่อมั่นขึ้นมานั่นก็คือเจตสิกอันนี้ขอให้คําตอบอย่างนี้ท่านเขียนไว้ในตําราว่าเจตสิกคือสิ่งที่ประกอบกับจิต บางท่านอาจจะเข้าใจว่าจิตนึกถึงรูปแล้วก็เป็นเจตสิกที่นี้จิตนึกถึงรูปมันเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาอันเป็นตัวกิเลสอันนี้เรียกว่าเรียกว่าอากุศลเจตสิกแต่การสัมผัสรู้ข้อสักแต่วรู้ เห็ตาเห็นรูปพับ ร, รูปรูปนี่คือปัญญาความยินดียินได้พอใจไม่พอใจในรูปนั้นเป็นอาการของกิเลสนั้นคือเจตสิกอันนี้อีกประเภทหนึ่งถ้าเป็นคุณนธธรรมก็คือว่านักปฏิบัติสามารถสร้างพละห้าขึ้นในจิตได้มีสตาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือสามารถรวมอริยมรรคลงเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกายโนโมคโคมีสติเป็นตัวการ สามารถปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้อันนั้นคือเจตสิกเนวสัญญานาสัญญายตนะหมายถึงอะไรเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักวิชาการที่ท่านอธิบายเอาไว้เมื่อผู้บำเพ็ญสมาธิ ดำเนินจิตตามภูมิแห่งสมาบัติ8ในวสัญญานาสัญญายัตนณะเป็นสมาบัติขั้นสุดท้ายหรือสูงสุดของสมาบัติ8ความรู้สึกของเจตผต้ปฏิบัตินี้ท่านว่าจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่คือหมายความว่าจะมีความทรงจำก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่ปฏิเสธก็ไม่ได้รับปล o ก็ไม่ได้ ในลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าเดวสัญญาณาสัญญาญาตนะแต่ว่าถ้ามาก็ยังไม่ถึงนะอันนี้พูดตามแบบที่ท่านเขียนไว้ทางพระพุทธศาสนาถือว่าจิตเป็นตัวผู้รู้แต่ในทางแพทย์ถือว่าสมองเป็นตัวผู้รู้ไม่ทราบว่าจิตและสมอง จิตและสมองเป็นตัวเดียวกันหรือไม่อันนี้ก็ได้ในคําที่ว่าโดยธรรมชาติของจิตแล้วถ้าไม่มีส่วนประกอบเขาไม่สามารถที่จะแสดงปฏิกิริยาหรือแสดงผลใดๆออกมาได้โดยธรรมชาติเขาจะต้อง ม, มีส่วนประกอบคือมีกายส่วนประกอบของกายที่สำคัญก็คือมันสมอง ทีนี้ในเมื่อจิตกับมันสมองเลือประสาทมันมาประกอบกันเข้าจิตจึงมีพลังสั่งการต่างๆขึ้นมาภายในร่างกายของเราทีนี้ถ้าหากว่าจะแยกประเภทก็หมายถึงว่าจิตคือตัวผู้รู้รู้อยู่เฉยๆมันสมองนี่เป็นเนื้อสมองหรือเป็นมันสมองอันเป็นส่วนประกอบให้จิตมีพลังขึ้นมาในเมื่อจิตมีพลังโดยธรรมชาติก็อาศัยพลังทางสมองนี่สั่งการ ถ้าไม่มีสมองเป็นส่วนประกอบจิตไม่มีปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ้นทั้งสิน้นอันนี้ในทางที่กําหนดรู้ตามตามตามที่มันเป็นพอจิตเป็นนิ่งว่างแล้วหมอก็ว่างอยู่อย่างนั้นทําอะไรไม่เป็นพอมาสัมผัสกับร่างกายภาพเกิดมีตัวขึ้นมามีความรู้สึกที่สมองเกิดสั่งการขึ้นมาทันทีแต่จะอธิบายว่าอย่างไรขอฝาก ท่านทั้งหลายไว้ช่วยพิจารณาด้วยในขณะที่นั่งสมาธิจิตมักจะเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทําอย่างไรจึงจะไม่ทําให้จิตเป็นอย่างนั้นอันนี้ต้องอาศัยการทำบ่อยๆภาวนาบ่อยๆทาให้มากๆภาวนาให้มากๆจนชำนิชนานาญแล้วจิตจะอยู่เองการทําสมาธิในขั้นต้นนี่ในการเริ่มต้นนี้ก็ย่อม เราก็ย่อมจะลงทุนลงแรงหนักหน่อยเหมือนๆกันกับการบุกเบิกงานใหม่เพอเงื่นอน ก, การทาสมาธิเพื่อจะไม่ให้จิตส่งไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราต้องภาคเพียรพยายามแต่อย่าไปเข้าใจว่าทาสมาธิแล้วทำให้เราหมดความคิดเราทาสมาธิเพื่อให้จิตสงบจากอารมณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันชั่วขณะหนึ่ง พอเราได้มองเห็นหน้าเห็นตาของจิตตั้งเดิมของเราอย่างไรในเมื่อเราอบรมสมาธิให้มากมากแล้วมีสติปัญสัมปชัญญะดีแล้วจิตของเรานี่มันยิ่งมีความคิดมากกว่าที่เราว่าเราคิดวุ่นวายอยู่เดี๋ยวนี้แต่ความคิดที่มีสติเป็นตัวการสำคัญนั้นย่อมไม่เป็นไปเพื่อความหนักอกหนักใจหรือก่อทุกข์ก่อยากให้แก่ใคร ประยนันการทําสมาธินี้เป็นสิ่งจําเป็น <c oughs> ข้อสองการทําสมาธิทุกครั้งจําเป็นหรือไม่ที่จะต้องขึ้นพระกรรมาฐานอันนี้ไม่จําเป็นขึ้นกรรมาฐานหมายความว่าจะต้องเอาดอกไม้ทูบเทียนไปยกครูกรรมาฐานอันนี้เรียกว่าขึ้นกรรมาฐานทีนี้เราจะขึ้นโดยนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุธทธธรรมงคมภาระพุทธเจ้าและธรรมพระสงฆ์เป็นศาสดาของเราเป็นคุ ณ, ณธรรม เราจะทำพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ให้เกิดขึ้นในใจของเราเนี่คือทำใจให้สงบให้นิ่งให้สว่างเกิดพุทธะความผู้ตื่นพุทธะผู้เบิกบานพุทธะผู้รู้ขึ้นในใจของเราโดยที่พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นแต่คุณน่รทำเท่านั้นทีนี้ อ, อ, อจะมาใครที่จะขอเตือนบรรดาท่านทั้งหลายว่าการทำสมาธิอย่าไปขึ้นครูหรือยกครูกรรมาฐาน การภาวนาพุโทโธเนี่ยถ้าหากไปยกครูกรรมฐานขึ้นมาคือหมายความว่าเอาดอกไม้ทูบเทียนไปเรียนกรรมฐานจากท่านผู้ใดผู้หนึ่งท่านผู้นั้นมอบพระกรรมฐานให้คือให้ภาวนาพุโทโธในเมื่อมาภาวนาพุโทโธแล้วกรรมฐานยกครูนี่มันจะทำให้มีปีติเกิดขึ้นอย่างแรงในตอนแรกๆจะนึกพุโทโธพุธโทโธในใจ พอใจเริ่มสงบลงมาหน่อยพูดโทพูดโทดังออกมาพอพูดโทดังช้าๆต่อไปก็ถีเข้าถีเข้าลงผลสุดท้ายยังเหลือแต่โทรโทรโทโทคคำเดียวในเม่เงียบเสียงโทรแล้วมีเสียงพูดขึ้นมาในทํานองเทศแต่ไม่ใช่ผู้นั้นเป็นผู้เทศกลายเป็นวิญญาณเข้ามาสิงการภาวนาโดยยกครูขึ้นกรรมฐ า, านเนี่ย ถ้าธาเสียทีจะกลายเป็นโลกผีสิงอันนี้ขอเตือนทุกๆ ท, ท, ท่านทำความเข้าใจเอาไว้หากไม่รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ได้ทุกวันจะปฏิบัติสมาธิให้เกิดมหาสติได้หรือไม่สมาธิที่จะให้เกิดเป็นมหาสติปฐานต้องอาศัยศีลเป็นประการสำคัญ แต่สมาธิจะทําเพียงแค่ว่าให้เกิดพลังจิตให้เกิดพละอาให้เกิดพลังจิตหรือให้เกิดอํานาจอิทธิฤทธิ์อะไรต่างๆนี่ไม่จําเป็นต้องมีศีลเช่นสมาธิของพวกเรียนไสยศาสตร์พวกทอบหนังบังฟันอะไรต่างๆนี่เขาก็อาศัย ส, สมาธิเหมือนกันแต่สมาธิจะให้เป็นมหาสติปัฏฐานต้องมีศีลเป็นพื้นฐานไม่มีศีลสติเป็นมหาสติไม่ได้ เบกนั่งสมาธิมานานแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่หายไปนานๆจะเกิดมีอาการแสดงทางทางอาการโดยมือทำสัญญาให้รู้โดยอาการเช่นสอนให้ระวังทวารหกในขณะเดียวจิตจะเคล็ดรู้ถึงความหมายหรือบางครั้ง ปวดเมื่อยกายพลาดไม่ใช่ขณะเวลาที่นั่งสมาธิก็จะมีอาการบริหารกายส่วนนั้นเป็นการผิดหรือไม่การเปลี่ยนอริยาบทยืนเดินนั่งนอนเป็นการเปลี่ยนอริยาบทบางทีเราอาจจะบริหารกายแบบพลูสีดัดตนท่านอาจารย์ฟัน่นท่านทำ แบบลูซีดัดตนที่ที่มีแบบฝึกหัดอยู่ที่วัดโพนะอันนี้ไม่ผิดเป็นการบริหารกายให้ให้มีความคล่องสมาธิมีประโยชน์ต่อนักบริหารอย่างไรสมาธิมีประโยชน์ต่อนักบริหารและต่อทุกคนที่ไม่ใช่นักบริหารสมาธิ ในเมื่อเราทำสมาธิให้มีจิตสงบมั่นคงทำให้เรามีสติมีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีได้ดีและสมาธินี้ถ้าใครทำถูกต้องเดิมเป็นคนขี้เกียจจะกลายเป็นคนขยันเป็นคนไม่ซื่อสัตย์จะต้องกลายเป็นคนซื่อสัตย์ยกตัวอย่างเช่นแม่บ้านขี้เกียจหุงข้าวให้ผัวรับทาน ในเมื่อทำสมาธิเป็นแล้วจะขยันในการหุงข้าวให้ผัวรับทานรู้จากหน้าที่ของตนอย่างดีเพราะนั้นสมาธินี้มีประโยชน์แก่นัก บ, บริหารในนักปกครองอย่างเหลือที่จะพัร น, นาทีเดียวถ้าหากว่าท่านผู้ใดสามารถรู้จักวิธีใช้อำนาจทางจิตได้ก็ยิ่งเป็นการดีทำอย่างไรจะดึงผู้ประพทติผิ ให้ทำตัวอยู่ในศีลในธรรมจะมีอุบายอย่างไรอันนี้ต้องอาศัยการชักชวนบ่อยๆชี้แจงเหตุผลให้ฟังบ่อยๆต้องใช้ความภาพเพียนพยายามแต่เราอาจจะคิดว่าเราจะชักจูงบุคคลมาให้ทำดีให้มีศีลมีธรรมกันหมดทุกคนนั่นเป็นไปไม่ได้หรอกพราะพุทธเจ้าท่านก็ทำไม่ได้ถ้าหากพระพุทธเจ้าทำได้พวกเราก็คงไม่มีเชื้อสายที่จะให้เกิดมา เพราะฉะนั้นเราก็ทำเฉพาะที่ที่พอที่จะทำได้ชักจูงพอที่จะชักจูงได้นี่อีกปัญหาหนึ่งเมื่อเห็นสิ่งของดวงจิตในสมาธิในเมื่อเห็นสีของดวงจิตในสมาธิขั้นแร ก, แรกเป็นสีน้ำเงินต่อมาเปลี่ยนเป็นสีแดงม่วงเหลืองขาวเราควรจะเพ่งสี ในจิตหรือไม่จาเป็นต้องหยุดภาวนาหรือไม่อันนี้เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาของการทําสมาธิในเมื่อจิตเริ่มจะมีอาการสงบลงไปในความรู้สึกจะเป็นสีม่วงสีน้ำเงินสีแปลกๆต่างๆสารพัดที่จิตจะปรุงแต่งขึ้นมาอันนี้เราไม่ควรจะไปสนใจกับสีแสงเสียงทั้งหลายเหล่านั้น ให้จ้องอยู่ที่บริกรรมภาวนาถ้าบริกรรมภาวนายังมีอยู่ให้จ้องอยู่ต่อคำบริกรรมภาวนานั้นๆ